ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชืดพระเยซูตอนที่สี่ร้อยสิบเรื่องความอ่อนแอของเปโต่สี่อย่างพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสามข้อที่สามสิบหกจนถึงข้อที่สามสิบแปดโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่สิบสามข้อสามสิบหกถึงข้อสามสิบแปดซิมเปโต้ทูลพระองค์ว่า พระองค์เจ้าข้าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนเปเยซูตรัดตอบว่าที่ซึ่งเราจะไปนั้นท่านจะตามเราไปเดียดยเเเดเด๋ยวนี้ไม่ได้แต่ภายหลังท่านจะตามไปฟายเปโตทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเหตุใดข้าพระองค์จึงตามพระองค์ไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ข้าพระองค์จะสละชีวิตเพื่อพระองค์เปเยซูตรัดตอบว่าท่านจะสละชีวิตของท่านเพื่อเราหรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งพี่น้องครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีกสี่วันนะครับเราจะเข้าใจถึงความล้มเหลวของเปโตรแม้ว่าเปโตรนั่นจะเป็นคนที่หวังดีเป็นคนที่ติดตามเป็นสาวกของพระเยซูมาเกือบสามปีเต็มเปโตรก็ยังมีความผิดพลาดหลายอย่างในชีวิตของเขา ที่เขาจะต้องแก้ไขเขาจะต้องกลับใจใหม่เขาจะต้องฟื้นฟูตัวเองประการแรกครับที่เราเห็นในเช้าวันนี้เปโตนั้นเป็นคนที่ขี้โม้โอ้อวดนะครับเป็นคนที่พูดดังแล้วก็พูดเร็วเกินไปเพราะเจนะาของพระเจ้าในหลายๆตอนเราจะเห็นถึงนิสัยหรืออุปริอุป อุปนิสัยบุคลิกลักษณะของเปโตคือเขาเป็นคนใจร้อนใจเร็วเขาอยากจะทำอะไรนะครับเขาก็จะทำเขาอยากจะคิดจะพูดอะไรเขาก็คิดและเขาก็พูดบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเพราะว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเขาได้ยินเพราะฉะนั้นเปโตก็ตกอยู่ในความล้มเหลวครับเพราะเหตุที่ว่าเขาเป็นคนที่ที่คุย หรือว่าเขาเป็นคนที่คุยโม้โอโอวดเขาเป็นคนที่พูดจังพูดเร็วเกินไปพระเจนะของพระเจ้าในตอนหนึ่งที่ยืนยันว่าเปโตัเป็นคนเช่นนี้ก็จะอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบหกพระธรรมมัทธิวบทที่สิบหกข้อยี่สิบสองยิบสามนะครับเมื่อพระเยซูได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่พระองค์เองนั้นจะต้องทนทุกข์ทรมานจะต้องเจ้าสู่ทางเดินของไม้กางเขน เปโตรเมื่อได้ยินอย่างนั้นเปโตรก็รีบฉุดมือพระเยซูหรือจับมือพระเยซูแล้วก็พูดกับพระเยซูต่างหากครับว่าขอให้การนั้นอยู่ไกลจากพระองค์เถิดพี่น้องครับเป็นความหวังดีเป็นความตั้งใจที่ดีเป็นความจริงใจแต่พระเยซูกลับหันมาบอกกับเปโตรว่าายซาตานจงไปให้พ้น ไอซาตานจงไปให้พ้นไอ้ซาตานจงไปให้พ้นพี่น้องครับพระเยซูตรัสคําเดียวครับแต่ผมพูดสามคำสามประโยคสามครั้งเพราะอะไรครับเพราะว่าำคาคํานี้เนี่ยหนักหนาสาหัสมากแล้วพระเยซูไม่เพียงแต่พูดไอ้ซาตานจงไปให้พ้นนั่นหมายความว่าซาตานนั้นได้เข้ามามีส่วนในความคิดในคําพูดของเปโตพระเยซูก็ยังตรัสต่อไปว่าเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเรา เพราะเจ้าคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าพี่น้องครับสาวกของพระเยซูเองเปโตรซึ่งเป็นสาวกวงในเป็นสาวกเรียกว่าอัครสาวกสาวกเอกของพระเยซูเองก็อาจจะตกเป็นเครื่องมือของซาตานไปได้และในเวลานี้เห็นชัดเลยครับว่าพระเยซูพูดว่าไอ้ซาตานจงม่ให้พ้นเพราะว่าพระเยซู ร, รู้ว่าซาตานนั้นได้เข้ามามีส่วนในความคิด เพราะเหตุที่ว่าเปโตรนั้นเป็นคนที่ใจเร็วพูดเร็วพูดดังและขี้โมโอดในข้อที่22นะครับได้บรรยายภาพชัดเจนว่าเปโตรนั้นจุงมือพระเยซูไปอีกแห่งหนึ่งนะครับภาษาไทยพระคัมภีรภาษาไทย1971บอกว่าเอามือจับพระองค์และทูลท้วงพระองค์แล้วก็พูดบอกว่าขอให้การนั้นอยู่ห่างไกลพระองค์เถิดพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เปโตรพกพาเอาความจริงใจนะครับ ที่ใช้ไม่ได้มีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งครับในยอห์นบทที่สิบสามข้อสามิหกซึ่งเราได้อ่านไปในวันนี้แสดงถึงความเรียกว่า Over Confident ก็คือเป็นความมั่นใจจนเกินไปไปโตถึงขนาดพูดว่าข้าพเจ้ายอมสละชีวิตเพื่อพระเจ้าเพื่อพระองค์ได้ พี่น้องครับเปโตรนั้นไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เขาพูดและเขาไม่รู้ว่าพระเยซู จ, จะต้องเดินไปในทางที่ทุกขทรมานสาหัส ข, ขนาดไหนเขาอาจจะมีความหวังดีอย่างแรงกล้าครับมีความปรารถนาดีแต่แท้จริงแล้วกําลังตกเป็นเครื่องมือของมารซาตานครับบทเรียนจากชีวิตของเปโตรในเช้าวันนี้นะครับบทเรียนแรกก็คือว่าเราจะต้องไม่ขี้โม้โอ้วดเรา จะต้องไม่คิดเสียงดังและพูดเร็วพี่น้องครับบทเรียนที่สองก็คือเราเอาความจริงใจเป็นที่ตั้งไม่ได้ครับเริ่มต้นอาจจะมีความจริงใจเป็นที่ตั้งแต่วิธีการนั้นต้องถูกต้องและความจริงใจนั้นจะเป็นแรงเสริมครับเป็นตัวเสริมต้องเอาความถูกต้องถูกน้ำพัดไทยต่างหากคับให้มาก่อน เพราะฉะนั้นเอาความจริงใจความหวังดีเป็นตัวตัดสินที่ให้คนทำได้หรือทาไม่ได้หรือควรทำไม่ควรทำนั้นไม่จริงเสมอไปไม่ถูกต้องเสมอไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาความถูกพระทยพระเจ้าถูกน้าพระทยของพระองค์อยู่ในการทรงนำของพระเจ้าทูลขอสิ่งที่เป็นน้าพระทยของพระองค์เพื่อแผนการของพระองค์จะสาเร็จต่างหากับต้องมาก่อน ที่น้่งครับในลูกาบทที่22ข้อ31และ32เราจะเห็นว่าสิ่งที่พระเยซูทรงกระทากับซีโมนนะครับสืบเนื่องจากพระกัมพีตอนมัทธิวบทที่16ที่พูดถึงไอซาตาลจงไ้พนนะครับลูกาบทที่22ข้อ31ได้กล่าวถึงพระเยซูได้พูดกับซีโมนเปโตนะครับโปรดฟังพระเน้ของพระเจ้า ซีโมนซีโมนเ อ, อ๋อดูเถิดสาตาลได้ขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลีแต่เราได้อธิษฐานเผื่อพวกท่านเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดและเมื่อท่านได้หันกลับแล้วจงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่านพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองเราจะเห็นว่าเปโตรก็พูดต่อครับพูดต่อด้วยความมั่นใจ พูดต่อด้วยความขี้โมโ อ, อวดเหมือนเดิมครับบอกว่าพระองค์เจ้าข้าพ้าองพร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ถึงต้องจิตคุกหรือขึงความตายก็ดีพระองค์ตรัสว่าเปโตเอ๋ยเราบอกท่านวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึงสามครั้งที่น้องทับพระกัมพีตอนนี้พูดชัดเจนชัดเจนว่าไงครับชัดเจนตรงกับย้อนบทที่สิบสามข้อสามสิบหกถึงข้อสามสิบแปดในวันนี้นี่เองก็คือว่าก่อนไก่ขัน เปโตรจะปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งในพระธรรมลูกานะครับพระเยซูบอกวิธีแก้ครับบอกวิธีแก้ก็คือว่าเรามีอยู่สี่ประการครับเราจะเห็นสี่ประการที่นี่ประการแรกก็คือหนึ่งอธิษฐานต่อสู้กับมันนะครับซึ่งจะเป็นหัวข้อหลักในวันพรุ่งนี้เราจะต้องเรียนแบบพระเยซูครับเพราะซาตานนั้นได้ขอหมายความว่ามีความ หวังหรือตั้งความหวังไว้ที่จะขัดร่อนชีวิตของเหล่าสาวกของพระเยซูเหมือนกับขัดร่อนเข้าสาลีนะครับพูด ง, ง่ายๆก็คือว่าซาตานมันขอเพื่อที่จะทําลายคนเหล่านี้เพราะมันรู้ว่าสาวกของพระองค์นั้นมีศักยภาพที่จะประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเป็นตัวช่วยที่สําคัญของพระเยซูนั่นเองอันนี้เป็นวิธีแก้ก็คือว่าต้องอธิษฐานต่อสู้กับมารครับพระเยซูอธิษฐานทูลขอพวกเขาไว้กับพระบิดา ประการที่สองวิธีแก้ที่บียร์ูบอกว่าเราจะต้องยืนหยัดในความเชื่อครับไม่ใช่ดื้อดันดันทุรังหรือเชื่อผิดผิดหรือเชื่อตามประเพณีเชื่อตามกันมาหรือเชื่อตัวเองนะครับเชื่อในความถูกต้องที่เราคิดขึ้นมาเองหรือเชื่อในตัวของตัวเองว่าประสบการณ์ของเราที่ผ่านมานั้นหลายสิบปีถูกแต่ไม่ได้เชื่อในพระคัมภีร์ครับ อันนี้เราต้องแก้ไขนะครับการยืนหยัดในความเชื่อต้องยืนหยัดอยู่บนหลักการของพระคัมภีร์ประการที่สามครับก็คือการกลับใจเราต้องกลับใจครับถ้าเราเข้าใจผิดหรือมโ น, โนไปเองหรือเราต้องตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอครับลดอีโก้ของตัวเองลงครับฟังเคนอื่นเข้ามากขึ้นและคิดมากขึ้นประการที่สี่ครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสี่ประการนี้เป็นสี่ประการที่พระเยซูได้ กล่าวไว้ในลูกาบทที่22ข้อ31ถึงข้อ32ในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับในเช้าวันนี้ที่น้องครับสี่อย่างเราพูดไปอย่างเดียวครับก็คือสี่อย่างที่ทำให้เปโตรนั้นล้มเหลวในชีวิตของเขาในการติดตามพระเยซูในระยะต้นก็คือการคุยโม้โอ้อวดการพูดนะครับการพูดเสียงดังคิดเสียงดังเกินไปและก็การ ที่เขาใจเร็วและพูดเร็วขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรับบทเรียนในวันนี้คือเราจะต้องไม่เป็นคนที่คุยโม่โ อ, อวดครับและเราจะต้องอย่าเอาความจริงใจมาเป็นที่ตั้งอย่างเดียวเอาความหวังดีมาเป็นที่ตั้งอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องเอาความถูกต้องเอาสิ่งที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าทูลขอและแสวงหาน้าวัไทยของพระองค์ในการกระทาสิ่งต่างๆอาเมน